ในเบื้องต้นเนี่ยเราเคยดูลงไปที่กายที่ใจรู้สึกที่กายที่ใจนะรู้สึกไปเรื่อยจนวันหนึ่งเห็นว่าไม่มีเราที่แรกยังรู้สึกมีเราเป็นคราวๆอยู่ถ้ายังมีเราเป็นคราวๆแม้แต่นิดแต่หน่อยนะก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันหรอกตอนนี้ก็มีหลายคนเข้าใจผิดไม่เจอหลวงพ่อนะแต่ว่าฟังซีดีอ๋อฟังฟังได้ข่าวว่าบางจังหวัดเนี่ยมีพระโสดาบันเยอะมากเลย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 ท่านอยู่ที่บ้านตากอยู่ข้างบนคนยังน้อยนะอยู่อยู่ข้างบนศาลาไม้ของท่านขึ้นไม่กราบท่านนะบอกท่านอาจารย์ครับทําไมผมดูจิตอยู่มันไม่ผ่านทีนทนะท่านมองหน้าเราแวบหนึงท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วละ่นะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างนะี้เราก็กราบท่านนะเนี่ยท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตแล้วแต่แยังดูไม่ออกว่ามันไม่ถึงจิตยังไง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 หลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดเลยหลวงพ่ออยู่สอรรน ใ, ใจหนูใใจหนูฟังธรรมะแล้ว ม, ม, มันถ่ายทอดขึ้นมางั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตรนตรัยเราจะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงน ะ, ะวันนี้เท่านี้พอเหลือกี่คนมีกี่คนวันนี้ยี่สิบชะลอเบอร์หนึ่งอยู่ไหนครับเบห น, นึ่งเมื่อก่อนนะเห็นครูบาอาจารย์เทศท่านไม่ตรวจกันบ้านนะ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 หนูนอนแบบรู้สึกเหมือนตัวเองนอนไม่หลับคะ่ะพอเหมือนมันตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพอตื่นมาหนูก็เหมือนรู้สึกไม่ได้นอนคะ่ะก็จะง่วงๆทั้งวันจนแล้วทีนี้หนูก็เลยเลิกสวดมนต์ค่ะเรอํะไม่ละกลัวง่วงหรือกลัวไม่ค่ะเหมือนตอนนอนแล้วความรู้สึกคือมันแบบมันไม่หลับอะคะ่ะหลวงพอ่อหนูจริงๆ<น>ร่างกายมันลหนลับนะมันมีสองส่วนอันนึงร่างกายหลับอันนึงจิตหลับ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 เวลาที่รู้สึกกายรู้สึกใจได้เขาเรียกว่ามีสติอยู่ใครฝึกให้มีสติเพั้นเวลาหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองเนี่ยหลงไปอีกแล้วซ้ำไหมหลงไปคิดนึกออกไหมมันไหลไปคิดคต่อไปนี้ให้กันบ้านนะต่อไปนี้ให้กันบ้านวนะ่าถ้าจิตหลงไปคิดนะรู้ไวๆไปทำเอานะรบับปากแล้วนะครับครับ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 บูชาคนดีแล้วก็น้อมนําเอาความดีของเขามาทําบ้างนะงเท่าอย่างนั้นจะไม่ใช่ไปคิดว่าเขาจะมาช่วยให้เราพนทุกข์ได้เพราะตัวเขาก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกันครับแต่เทวดาที่พ้นทุกข์ก็มีนะครับคือท่านผู้เป็นพระอรหันต์อยู่ในเทวโลกในพรหมโลกก็มีไม่ใช่ไม่มีงั้นไม่ใช่เราไปดูถูกเทวดาหรอกรแต่ว่าเราไม่ได้นับถือในฐานะสารณะนะกลนะับขอบพระคุณครับ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 ครับหน้าต่อไป <c oughs> เห็นไหมขาดสติตอนยื่นไม้นึก อ, ออกไหมเผลอเออรู้ว่าเผลอแค่นี้เองนะไม่ใช่ห้ามเผลอยื่นไม่ก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะกลับนรรมชารหลวงพ่อค่ะให้หลวงพ่อช่วยดูวิธีทใช้ได้อยู่แล้ว <c oughs> ไปทำต่อไป <c oughs> ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกเอามันรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะ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 ขอเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้โอ้โหเธอเลือกคณะที่ฉันไปสอบเองฉันยังเข้าไม่ได้เลยใครจะไปช่วยใครใช่ไหมอาว่าไปกลับการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะขอโอกาสถามปัญหาค่ะครั้งนี้มาครั้งแรกอืมอาจจะยาวนิดนึ่งนะคะฮะอย่ายาวสิจริงๆเนี่ยปัญหาการปฏิบัติเนี่ยไม่ยาวหรอกพงศวดาถึงจะยาวมีปัญหาอะไร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 พวกเราชอบบังคับจิตเช่นใ <c oughs> ครบังคับไม่ให้หนีไปเลย น, นี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนะทาใจให้เคล้มละท้ละทวยไปเรื <c oughs> ่อยพวกนี้ไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยนะเพมาะฉะั้นทาสมถะนะมีอารมณ์ันหนึ่งมาให้จิตระลึกระลึกไปอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้สบายบายจิตมีความสุขจิตสงบของมันเอง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 ก็ปฏิบัติมาก็ระยะระยะหนึ่งแล้วก็ด้วยการฟังซีดีลุงพ่อบ้างแล้วในชีวิตประจําวันกเ็เดินจงกรมนั่งสมาธิอ่อนนอนแล้วเช้าก็มีสวดมนต์มาแล้วก็กสังเกตเ <c oughs> ปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นครับ <c oughs> ก็สังเกตดูตามนู้ตามดูอารมณ์แล้วก็ิตตลอดเวลาอยู่ใน อ, อยู่ในชีวิตประจําวันสังเกตไม่ใจเราแยกออกมาเมื่อแมือนใจเราแยกออกมาออกไหมเห็นบ้างครับ แยกออกมาเราก็ไม่ประครองนะไหลกลับไปรวมเราก็ไม่ว่าคร่อยรู้เฉยๆมันจะถอนตัวขึ้นมาเองในสุดจิตกับขันเนี่ยพลาดกับอย่างกันไม่เกี่ยวกันแล้วเอยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้นี่ใช้ได้แล้วไม่ฝอีกนะขยันดูไปด้ของคุณจะดูจิตนะหมอแล้วขอบมาต่อไปครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนนี้เวลาปฏิบัติเวลา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 ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทินยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนตีสาคารังเอวเมวะอโตดินนังเปตานางอุปกัรปฏิ